อาทิตย์ที่14กรกฎาคมพาศ2539าเป็นการบรรยายพระ ส, สูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยจารุเทพโพธิสัทธาทวงนี้จะนำเอาพระ ส, สูตรในชุดของปฏิจจสมุปบาทเป็นสูตรในวรรคที่สี่สูตรที่เจ็ดชื่อในภาษาบาลีว่าณนะ ตุมหสูตรตามศัพท์นั้นแปลว่าไม่ใช่ของเราก็แปลว่าเรื่องไม่ใช่ของเราในโดยหัวเรื่องที่เรียกว่าสูตรโดยเนื้อความนั้นว่าด้วยกายนี้เป็นปฏิยาการแสดงว่ากลุ่มกายของเราเนี่ยความจริงก็คือกลุ่มแห่งเหตุผลที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะ พระเชตวันอารามังท่านอนาถาวิติกาเศรษฐีกรุงเสาปถีพระผู้มียรพาได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านี้พึงเห็นว่าอันปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นโดยความตั้งใจเป็นที่ตั้งของเวทนานี่เป็นบทพุทธพจน์ส่วนเบื้องต้นสั้นๆแต่ว่ามีความหมาย ค่อนข้างลึกคําว่ากายที่ทรงตรัสในพระสูตรนี้ไม่ได้แปลว่าร่างกายอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปกายที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงเบญจขันต์คือนามได้รูปหรือได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองกายตามศัพท์นั้นแปลว่ากลุ่มหรือหมวดหรือหมู่เรียกว่ากายอา่า ท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าสักกายทิฏฐิสักกายะทิฏฐินั้นแปลว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดที่เป็นไปในกายหรือพูดสัส้นๆว่าความเห็นผิดในกายนั่นเองและในบทอธิบายในสักกายทิฏฐิก็อธิบายชัดว่ากายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรูปอย่างเดียวได้แก่ขันห้าหรือนามรูปเข็นเห็นผิดว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสั้งขันเป็นตนอินญาณเป็นตน รูปเป็นของตนสัญญาเป็นของตนสังขารเป็นของตนเวทนาเป็นของตนวิญญาณเป็นของตนเหล่านี้ในที่นั้นกระจายเป็นขันห้าโดยใช้คำรวมเรียกว่ากายเพราะฉะนั้นกายก็ดีขันห้าก็ดีหรือนามรูปก็ดีเป็นอันเดียวกันต่างคีิคาพูดเท่านั้นในสูตรนี้ทรงแสดงอย่างชนิดที่เป็นสภาวะปรมัติ คือแสดงในฐานะที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนากรรมฐานที่ตราว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอก็คือนามรูปที่เป็นของตัวเธอเนี่ยคือของเราทุกคนนั้นแท้จริงไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของบุคคลอื่นด้วยได้แก่นามรูปของบุคคลอื่นก็ไม่ใช่ของเขานามรูปของเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเจ้าของคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยนามรูปของคนอื่นเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ เขาเองก็มิได้เป็นเจ้าของที่เราพูดว่ากายของเราหรือร่างกายของเราเป็นของคนอื่นคนอื่นเป็นของเราโดยความเกี่ยวพันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการพูดโดยภาษาสมมติเท่านั้นจึงกล่าวได้ในส่วนหลักใหญ่ตรงนี้ว่าทรงแสดงเรื่องอนัตตาประกาศความเป็นอนัตตาโดยเฉพาะคืออนัตตาเนี่ยบางทีท่านก็แบ่ง บทอธิบายเป็นสองอย่างว่าอนัตตาหนึ่งอนัตตานิยะหนึ่งที่เราแปลว่าตัวเรากับของเราหรือใช้เป็นภาษาพระที่ท่านพูดเป็นภาษาไทยว่าตัวกูของกูแปลมาจากภาษาบาลีว่าอัตตาแปลว่าเราอัตตานิยะของเรา การพูดว่าเราและของเรานั้นเป็นการพูดอย่างคนที่ถืออัตตาแต่ว่าคนที่ไม่ถืออัตตานั้นอาจจะพูดจะพูดโดยไม่ได้ยึดถือก็พูดได้พูดอย่างไม่ได้ยึดถือถ้าพูดกันอย่างภาษาปรมัติคําพูดนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็พูดกันไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงความที่เป็นปรมัติคือเป็นอนัตตาตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา แล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นทีนี้อัตตนิยะเนี่ยแบ่งเป็นความจริงแบ่งได้เป็นหลายอย่างแต่ว่าแบ่งในขอบเขตของสูตรนี้ก็พูดเป็นสองอย่างเป็นว่าผมกำลังจะตั้งหลักว่าอัตตากับอัตตนิยะที่แปลว่าของตนหรือของเราอัตตนิยะคือของของตนเนี่ย ของตนอันเป็นภายในของตนอันเป็นภายนอกอันนี้พูดภาษาปลาซะหน่อยต้นคือตัวเราผู้นั้นปลารบตัวเองโดยความเป็นตนผู้เป็นเจ้าของถือว่าเป็นอัตตาชั้นที่หนึ่งเป็นอัตตาชั้นที่หนึ่งซึ่งพระพุทธศาสนาปฏิเสธความสำคัญว่าเป็นอัตตาชั้นที่หนึ่งอัตตาบรรุษที่หนึ่งเนี่ยด้วยใช้คาว่าอนัตต า, าถ้าเขียนคำตรงกันข้ามก็คืออนัตตา ตรงเขียนคำตรงกันข้ามไสลงไปด้วยก็เป็นคำที่เราจำกันได้ทุกคนอยู่แล้วแหละนะแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นอะนัตตนิยะใช้คำว่านัตตานิย ะ, ตตยะคือไม่ใช่ของตนนี่เป็นบทปฏิเสธทางพุทธศาสนาความสำคัญข้างหน้านี่ว่าอัตาว่าอัตานิยะนั้นเป็นความสำคัญหมายของบุตุชนทั่วไป หรือของนักปราชญ์นักบวชสมณะปรามพวกที่เข้าใจผิดต่อสภาวะธรรมของนามรูปก็กล่าวว่าเป็นตนกล่าวว่าเป็นของตนแล้วก็สิ่งที่เราพูดว่าเป็นตนเป็นของตนเนี่ยเราก็พูดในตั้งในตัวเราเนี่ยครับตั้งหัวจทเท้ามีฐานะเป็นตนด้วยเป็นของตนด้วยถ้าเราพูดถึงอย่างทั่วทั่วไป เราก็อาจจะพูดว่าคนเป็นตนคนอื่นของอื่นที่เป็นทรัพย์ของเราเป็นสิทธิ์ของเราเป็นของตนไอเราเองก็เป็นของตนอื่นคนอื่นเขาปราลบเราเขาก็ถือว่าเรานั้นเป็นตนเป็นของเขาเป็นของเขานะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นอื่นในส่วนที่เป็นของเขาอื่นก็มีอยู่แต่ว่าไอคาว่าตนของตนที่เป็นสาระแก่กิเลสเนี่ย มันอยู่ในสรีละนี้เองตัวเราเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงถึงไอ้ของข้างนอกนะตัว<ม>เราเนี่ยเราปราลารบตัวเราว่าเป็นตนปาลารบคนอื่นว่าเป็นของเรากายนั่นเป็นของเรากายเราเป็นเรากายคนอื่นเป็นของเราคนอื่นก็ปาลารบเขาตัวเ็าเองว่าเป็นตนปาลารบเราว่าเป็นของของตนของเขานะ ก็นึกกันไปใน ก, กันหมายอย่างนี้อันนี้เมื่อเอาตัวตัวตัวเองเป็นหลักเนี่ยสมมติว่าเมื่อเอาตัวเองเป็นหลักในพระสูตรนี้ท่านไม่ได้เอาคาว่าอัตตามาพูดด้วยนะท่านพูดแต่เฉพาะอัตตานิยะเออเรามานึกว่าไอ้ตัวเราเองเนี่ยกับตัวเราเองเราถือว่าเป็นทั้งอัตตาและอัตตานิยะไปด้วยกัน พันกันอยู่เช่นถามถ้าชี้ถามว่าใครถามรวมๆเราบอกว่าเราตัวเราถามว่าผมของใครเราตอบว่าผมของเราแขนของใครแขนของเราถามอย่างเป็นของเราก็ตอบอย่างเป็นของถามอย่างเป็นตัวแล้วก็ตอบอย่างเป็นตัวและเมื่อไม่มีใครถามความคิดของเราที่เป็นอัตนุทิฐิ ที่ปลาลบตนเองเนี่ยเราก็ปลาลบตนเองสองลักษณะนี้ปะปนกันว่าตัวเราว่าของของเราเช่นว่ามผมยกตัวอย่างในทางความคิดเช่นปัญญาของเราในนามธรรมานะปัญญาของเราความจําของเราความรู้สึกของเราที่คิดอย่างเป็นของแต่ถ้าคิดอย่างเป่นตนก็คือเราเรารู้ เรารู้สึกเราฉลาดเราเข้าใจเห็นไหมฮะว่าปนกันนั้นตนและของตนเนี่ยปลาลบปนกันอยู่ในสิ่งเดียวกันคิดเป็นสองอย่างเวลาเราดูเราแค่ดูในรูปเนี่ยเอาขอๆเอาไปนอกตัวสมมติว่ามีรูปหมูมีคนชี้ถามว่านั่นใครเราก็ต้องตอบว่านั่นเราใช่ไหม แต่เข้าถามหมาย ว, าว่านั่นรูปของใครรูปของเรา <c oughs> ก็เลยเป็นตั้งเราตั้งของเราตามความคิดชั้นสมมุติไอ้ตัวเราเนี่ยเราก็ปลาลบตัวเราเองพูดถึงตัวเราเองเหมือนกับพูดรูปภาพของตัวเองที่อยู่ในในอลัล บ, บัม้มหรือในรูปในกรอบนะคือจริงๆแล้วมันก็คือแผ่นรูปแผ่นหนึ่งไอ้รูปของเราในความจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเราเลย แผ่นกระดาษเป็นเราหรือก็ไม่ใช่เป็นตัวเราหรือก็ไม่ใช่สีนั้นสีนี้เป็นเรามันก็ไม่ใช่มันเป็นอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติตัวเราทั้งตัวเวลาเราพูดว่าเร า, าของเราเนี่ยโดยธรรมดาของมันมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นอย่างที่มันเป็นตามเงื่อนไขาตามเหตุปัจจัยของมันและทําไมเราถึงคิดว่าเป็นเราก็มันเราที่ความคิดไง ถามว่าไอความคิดว่าเป็นเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมมันคิดเองหรือเหมือนรูปมันคิดเองหรือมันไม่ได้คิดเองมันมีอะไรเข้ามาเป็นตัวคิดไอตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นกิเลสไงฮะเป็นกิเลส ท, ที่เข้ามาเป็นเจ้าขี้เจ้าการมันไม่ใช่เรื่องของตัวอะเลยในในแง่สภาวะนะมันไม่ใช่เรื่องของตัวแต่กิเลสเนี Compared ่ยเขาจะมาเจ้าขี้เจ้าการ ทำประหนึ่งว่าเป็นของตัวเป็นหน้าเตียงตัวท่านนี่ว่าเหมือนคนบ้าเราคงจะเคยผ่านไปตามถนนบางครั้งเจอก็ไม่ใช่หาดูยากสิทีเดียวบางทีเราเจอตำรวจแต่งตัวครึ่งทอนมานั่งเป่านกหวีดปลิกปลิกผมยาวเปื่อยอะตำรวจกรมไหนก็นไม่รู้มันน้ำท่าโบกเนาะบางแล้วเขาไม่ว่าด่าอีกนะบวกที่เขาไม่บ้านะบางทีไอคนขับรถก็ต้อง เปิดประตู ล, ลงมาต่อหัวสองตีตบหัวตํารวจคือมันไม่ใช่หน้าที่อย่างตัวเองเลยแต่ว่าคนเหล่านี้นะถ้าเรานึกถึงความรู้สึกเขาในเขารู้สึ ก, กว่ามันเป็นหน้าที่เขานะใช่ไหมรู้สึกก็เป็นหน้าที่เขามาอาจจะมีบางคนที่เป็นตํารวจแล้วเป็นบ้ า, ล า, าแล้วก็ไล่มาแล้วตัวยังมีอุปทานอยู่นะก็มาทําท่าอย่างนั้นไอ้บางคนก็ชาตกปางก่อนอาจจะเป็นตํารวจหรือมาอาจจะนิยมตํารวจอะไรต่อะไรยังไงมาตั้งแต่เด็กแล้วมันมาบ้า มันก็เลยมามาสวมความรู้สึกว่าตัวเองนะเป็นตำรวจไอน้นู่นไอ้นี่เป็นหน้าที่ของตัวเองคนอื่นจะต้องมาเชื่ อ, อฟังตัวทำท่าอย่างโนอย่างนี้นนที่คนที่เป็นคนปกติเนี่ยก็รับไม่ได้เขารับไม่ได้เขาก็ต้องอทำออกอ่าการด้วยต่างๆกันไอขนาดไอสมัยเด็กๆในหัวหน้ายีเกเนี่ยนะเป็นแล้วอยู่ๆมันบ้า บ้าแต่มันบ้าแต่แต่บ้าแต่ตัวนะแต่อีอุปาทานอย่างเก่ามันยังอยู่มันบ้าเต็มอุปาทานมันก็ยังนึกว่ามันเป็นหัวหน้าอย่เนี้ยซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเราเป็นลูกน้องแต่เดิมถ้ายังไม่บ้าเราก็ยังเชื่อฟังนะแต่พอบ้าขึ้นมาเนี่ยแกยังนึกว่าแกยังเป็นอย่างเก่าแล้วก็ไปเที่ยวบังคับไปเที่ยวระลานก็ลูกวงซึ่งเขามีหัวหน้าใหม่แล้วก็ดูน้องแกแหละแล้วเขาจะเชื่อฟังไหม แกก็เป็นทุกของแกนะว่าทำไมทุกคนไม่เชื่อฟังเลยนางหนักเข้าเนี่ยไอความบ้านเปลี่ยนแกแต่งตัวยิเกแล้วเจอเด็กที่ไหนเราก็ไล่เตะพูกไม่กลา้กาเตะผู้ใหญ่ไปเที่ยวไล่เตะแกคงนึกว่าเนี่ลูกน้องว่าแล้วไม่เชื่อเออมันอุปาทานอาจจะเลยไปนั้นก็ได้เราเดาเด า, เานะเดาเดูจากรูปการเนี่ยจำได้เนี่ยไมได้เด็ ก, เ, ดกเวลาเราเป็นเด็ก ไม่ต้องวิ่งกันหลบพอแกรมาเ น, นี่ยต้องหลบแล้วกลัวจะมาไล่เตะแล้วนี้มาพูดถึงว่าในกรณีของเราเนี่ยเราก็เป็นพวกเจ้ากี้เจ้าการกับธรรมชาตินะเป็นคนที่จะบังคับธรรมชาติปราบโลกธรรมชาติตูธรรมชาติเจ้ากี้เจ้าการด้วยความรู้สึกที่เป็นทิฏฐิคือเห็นผิดด้วยมานะคือความถือตัวถือตนอันตามเนื่องมากับความเห็นผิดนั้น ด้วยความสําคัญคือด้วยความไม่รู้อะด้วยความหลงเหมือนกับคนไม่รู้คนก็ใจปิดแล้วก็ทำไปอย่างคนหลงด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วก็ด้วยอำนาจของความกระสันอยากซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการชั่วที่มันเป็นพลังของความบ้าในกับสภาวะอย่างคนละด้านคนละมุมแล้วก็เป็นปัจจัยอุดหนุนกันเลยออกมาเป็นบุคลิก เป็นพฤติกรรมอย่างที่ปุถุชนอย่างเราเป็นนี่แหละคะรับทีนี้มันเป็นมากจจที่จนกระทั่งพระพุทธเจ้าแก่ลําบากคนเข้าถึงน่ะแก่ลําบากขอให้นึกคนลำบากแค่ไหนเมื่อเราจะกาลังจะไปทําคนบ้าให้หายบ้าจะไปลากไอ้ตารวจจราจรที่ไม่มีเงินเดือนนี่เนะี่ยมานั่งพูดให้มันฟังว่าแกนั่นไม่ใช่นะแกยังมันฟังฟังออกไหมมันก็ฟังไม่ออกต้องเอาเอามันไปรักษา ไอ้โรคไปแค่เจ็บที่มันเป็นแต่ก่อนถึงค่อยให้เหตุผลมารู้เรื่องเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ในสายตาของพระอริยะบุคคลจึงไม่เป็นคำแรงเกินไปหรอกที่ว่าปุถุชนเหมือนคนบ้าบ้ากับตัวเองเนี่ยนะบ้ากับตัวเองอยู่เฉยๆเนี่ยก็ทุกพอแล้วมันก็แย่พอแล้วบ้ากับตัวเอง แต่ว่าธรรมดาคนเมื่อมันหลงตัวเองผิดนันก็จะต้องไปสัมพันธ์คนอื่นอย่างผิดผิดด้วยนะฮ ะ, ะเพราะฉะนั้นแหละอัตตานิยะจึงถือว่าเป็นบทขยายของอัตตานะฮะเป็นอัตตานุปิทิอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงตรงมุมนี้ว่าตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรา เราลองมาคิดดูนะฮะว่าคำว่าตัวของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยท่านปฏิเสธว่าไม่มีตัวด้วยในทีจริงไม่จริงปฏิเสธว่าไม่มีตัวเฉพาะถ้าเป็นของเราต้องมีตัวที่เป็นเจ้าของถูกมและสองปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างเป็นของเออคือตรงนี้อธิบายหน่อยว่า เวลาอธิบายความหมายของอนัตตาอย่างที่ผมว่ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดละเอียดทั้งทีนะะไม่พูดเป็นระบบทั้ทีเนี่ยว่าอนัตตาตัวเราไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับไม่ได้นะแต่ว่าในทางโลกเวลาเราพูดว่าเป็นตัวตนเนี่ยเพราะว่าเรามีกรรมสิทธิ์ในตัวของเราเองที่จะทําอะไรต่ออะไรได้ตามสมควรเช่นเราจะตัดผมทรงไหนก็ได้ใช่ไหมเราจะนอนกี่โมงก็ได้จะนอนท่าไหนก็ได้ จะตื่นเมื่อไหรก็ได้คือมันได้จริงๆไอ้ได้อย่างที่เราว่าก็ได้ตามเงื่อนไขของเหตุปจัจจัยแต่เราไม่พูดไปถึงขนาด น, นั้นอันนี้เข้าใจไหมคืออย่างโลกๆเราบอกว่าตัวเราในมีสิทธิที่จะทําอะไรเราทําอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ได้เพราะมีอัตาได้ตามเหตุปจัจจัยเช่นเราเราจะนั่งก็ได้อยู่ๆใครจะเดินก็ได้ถูกไม่ถูกแต่ว่ามันเสมอไปเรือบางครั้งเราจะเดินเดินไม่ได้ก็ได้ บางครั้งจะลุกๆกไม่ขึ้นก็ได้บางครั้งจะพูดพูดไม่ออกก็ได้ น, นี่คือเหตุปัจจัยที่ว่าเราบังคับได้คือได้ตามเหตุปัจจัยเมื่อเอาเหตุปัจจัยเข้ามายุ่งก็แปลว่าเราไม่ได้บังคับจริงนะสิเราทําไปตามเหตุปัจจัยต่างหาละ่ะแม้แต่ความคิดที่จะลุกมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดอัตโนมัติได้ตัวมันเองนะถามว่าทําไมคือตึงลุกบางคนลุกเลยยังไม่รู้ ยังงงอยู่บางทีไอ้ลุกเดิมหน้ากิเลสนะนะอธิบายไม่ได้เหมือนกันบางทีบางอย่างบอกได้แต่ไม่กล้าบอกบอกไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าบอกตัวเองไม่ได้แต่บอกคนอื่นไม่ได้ว่าลุกทำไมทำไมถึงนั่งอยู่เฉ่นนั้นมัน ม, ม, มันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแล้วก็เหตุปัจจัยของอิริยาบถของร่างกายก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยเลยว่าถ้าดึงเหตุปัจจัยออกหมดแล้วเช่นว่าไอ้ความคิดเราเนี่ย เราก็ไม่มีความคิดไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นแวบเข้ามาทั้งโดยโครงโดย อ, อ้อมมันก็ไม่มีความคิดว่าจะลุกหรือจะไม่ลุกแค่ไม่ใ ช, ใช่เหมือนคนตายแล้วเป็นไปอย่างไรตามเหตุปัจจัยภายนอกมันก็ไม่มีตัวตนอย่างนี้เราจึงบังคับไม่ได้ทีนี้พูดถึงว่าไอ้ทางโลกนะพูดกันอย่างนี้ผมก็พูดว่าไอ้ทางโลกเนี่ยเจาะเข้าไปแล้วมันก็ไร้สาระว่าเราเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงๆ กานี้ของของเรากฎหมายก็ให้กรามสิทธิ์ใช่ไหมว่าที่ดินของเราเรามีแล้วจะขุดบ่ก็ได้แล้วจะถมสูงเท่าไหร่ก็ได้เราจะทําไงก็ได้ในขอบเขตของกฎหมายใช่ไหมเรามีทรัพย์สินอยู่แเราจะขายก็ได้เราจะโยนทิ้งก็ได้ล้วจะไปทุบทิ้งก็ได้ใช่ไหมแต่ไอ้อย่างนี้นะมันก็อธิบายอย่างเดียวต่อความเป็นตนไว้ ของของเราที่เราคิดเราเป็นของเราเป็นกรรมสิทธิ์เราเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ก็ต้องตามเหตุปัจจัยอีกเหมือนกันอา้าวลองยกตัวอย่างที่ว่าเราทำยังไงก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยนะจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องตัวของเราไปแล้วเราบีดินสออยู่แท่งเราจะหักก็ได้เออหักได้จริงๆรแต่บางทีก็อาจจะหักไม่ได้หักไม่ไหว ใมะแหมแรงเราไม่มีหักดิลิส้อมแท่งย่อยใหญ่หน่อยเราก็หักไม่ไหวทําไมของคุณคุณก็หักได้ของดูด้คุณก็อยากอยากอยู่แล้วทำไมคุณหักไม่ได้ใช่ไหมของบางอย่างที่เราไม่ไม่คิดจะเอาแต่บางทีมันก็ต้องได้เจอะแยะไปทั้งดีทั้งไม่ดีจริงไม่จริงโดาจะของมีขาของไม่มีขาก็แล้วแต่บางทีเนี่ยนะฮะ อ, อ, อันนี้ จะเสียเวลาปล่าไม่รู้นะเล่าแรกมันอาจจะเล่านิดหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์นี้ไม่รู้อีกทานเมีคนก็โทรมามาขอปรึกษาอะไรหน่อยเรื่องทียวาปรึกษาคือเรื่องว่าเขาจะขายที่บ้านไปอยู่แถวๆวิเชียชื่นเนี่ยผมไม่รู้จักแล้วไม่รู้ว่านี่มาเปล่าเขารู้เปล่าว่าที่นี่มีกิจกรรมนะไม่ได้ถามมาเขาเป็นไรเขาก็บอกว่าเขาจะขายบ้านแล้วมันขายไม่ได้ แต่นี่มันไม่พิเตศษกูขายไม่ได้ได้วยเหตุผลธรรมดานะคือคนนึงมาดูกันเยอะแล้วมีอยู่ประมาณสักเจ็ดรายที่อยากจะซื้อจริงๆบงิงบางครอบครัวมานั้นก็กลัวบางทีชอบกันทั้งบ้านพอกลับไปแล้วเกิดมีคนหนึ่งเกิดไม่ชอบขึ้นมาบางทีก็ไปกู้เงินเลยมันมีครอบทําให้ขายไม่ได้ยังไม่น่าเชื่อแล้วบางรายเนี่ยนะไม่ใช่รายเดียว มาป้นเปลี่ยนอย่า ง, างเด็กทุกวันเนี่ยหกเดือนแล้วมาดูด้วยความอยากได้เส็จแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้วเขาก็บอกว่าบ้านเ้าเนี่ยอประตูก็ไม่ต้องปิดของไม่หายไอ้ไอ้อย่างที่ของผมเนี่ยยังพออธิบายทางอื่นได้เยอะแต่ที่บ้านมันก็อยู่ในที่ที่จเจริญนะะแต่ของไม่หายเลย ก็เป็นเรื่องอัศจริย์แต่ก็สรุปไปสรุปมาเนี่ยได้ความว่าเจ้าที่เขาไม่ขายเจ้าที่เขาอุตส่าห์เนี่ยตอนไอ้ที่แปลงนี้ที่เขาจะซื้อเนี่ยนะมีคนโง่จะซื้อกันเยอะแล้วเขาเนี่ยก็เหมือนว่าเส้นยาแดง่าแปดจะพัดจะพลุเนี่ยเขาไปได้ที่นี้มาอย่างเป็นการอาศัศจ ร, ริย์และน่าอิจฉาแก่คนที่อยากได้เดียกันอะไรใหญ่เขาเล่าให้ฟังนะก็ ก็เลยเนี่ยมีปัญหาว่าทําไงเนี่ยคนอยากขายแต่เทวดาไม่อยากขายไม่อยากให้ขายก็จะเป็นโอจะเป็นญาติพี่น้องผูกพันอะไรกันมาอย่างไงก็ไม่รู้มันก็ไอ้อย่างนี้นะเอ่อจะทําวิธีรุนแรงมันก็ไม่ดีนะก็ลองหาทางออกอย่างอื่นเพราะบางอย่างเนี่ยมันมันอาจจะเป็นทางออกที่ไม่ใช่อย่างจะที่ที่เราคิดอย่างธรรมดาเราเลือกนะะมันมีไอ้คก็เจออะไรต่างๆได้มึงก็ อธิบายไปเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่อันนี้นาะยยกตัวอย่างมาให้เห็นตรงนี้ว่าถึงกระแสเหตุปัจจัยซึ่งมีหลายอย่างั้องมองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยว่าของของเราเนี่ยอย่างเนี้ยขายถูกๆก็ขายไม่ได้ดีไม่ดียกให้กัมีคนได้รับมรดกแล้วมาอยู่ไม่ได้ก็ได้ต้องคืนเลยเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ถึงลักษณะอย่างของบางอย่างในขนาดให้เขาไปแล้วยังกลับมาเลย กลับมาเพราะว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยไม่มีบุญที่จะได้ไม่มีบุญที่จะใช้มันก็ต้องกลับมาบางรายก็ก็เอามาคืนให้ต้องเอามาคืนให้บางรายก็มาด้วยระบบตลาดก็มีก็คือก็ต้องมาอยู่กับตัวนนแต่เนื่องจากว่าไอ้ฐานหน้าของมนุษย์เราก็ทัพย์สินอะไรของเราเนี่ยนะในบุญอย่างชั้นเราเนี่ยของของเรา ค่อนข้างจะอยู่ในเงืเ่อนไขของเหตุปัจจัยในการที่จะทําให้เป็นยังไงได้มากหน่อยถ้าเราไปเป็นเดลัจฉานนะ่ะลองคิดดูนะเราไปเป็นพึ่งทํารังพึ่งมาตั้งหลังตั้งใจไว้ให้ลูกไปหลานกินสรากฏวมนุษย์เอาไปกินพึ่งตั้งทั้งรังคิดอย่างเดียวกันตั้งหลายแหลง่งความคิดแต่เอารังพึ่งไว้ไม่อยู่ แล้วก็มันถึงขนาดว่าก็เอามาเรียงอะไรกันอย่างเงี้ยนะมันก็คิดมันก็ไม่ได้นึกระแวงเรื่เหตุปัจจัยมันก็เหมือนกับเราเราไม่ได้นึกระแวงเรื่เหตุปัจจัยบางอย่างที่มันคอยจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายของเราให้สาเร็จใน่สำเร็จเนี่ยเพราะนั้นไอ้บางคนเนี่ยของของคนบางคนเนี่ยนะนี่เป็นชะตากรรมที่เรียกว่าค่อนข้างต่ําเลยเนี่ยนะอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตัวเองในทางกฎหมายทุกอย่าง แต่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ในกรรมสิทธิ์ในทางเหตุปัจจัยมีเยอะไหมครับไม่มีเลยครับบางคนนะสามีของตัวแท้แต่ไม่รู้ว่าสามีใครภรรยาของตัวแท้แต่เหมือนกันแล้วบางคนน่ะกำลังลูกของตัวแท้แตไม่รู้ว่าลูกใครนะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ไปเชื่อคนอื่นก็เชื่อคนอื่นอย่างกับพ่อยิ่งกับพ่อกับแม่มีเลยงงเขาถามว่านี้นี่ลูกใครเนี่ยเขาเขาถามตัวเองบ่อยๆว่าลูกใครบางทีก็ต้องไปถามอีกคน โลกไหลมันวุ่นกันไปหมดก็เลยก็เลยต้องนึกว่าไอ้บางอย่างเนี่ยเออเหตุปัจจัยอะเราถึงเอาไอ้หลักตรงนี้ยะมามาเป็นตัวช่วยทำให้อะไรๆค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างใจเป็นเป็นรับอันหนึ่งแต่ว่าท่านแนะนาเมือนนคนเี่จะหน้าเบ้สายของเราแล้วไปทางั้นได้ไงของเราไปคิดได้งั้นได้ไงนีไปยกนะก็ไปนึกว่างั้น แต่ว่าไอ้เคล็ดทางธรรมะในกลางนี้ผมก็ยกตัวอย่างเออก็เหมือนการทุพภาสิทธิทางธุรกิจอะหวาถ้าจะเอากําไรมากต้องเอากําไรน้อยเห็นไหมถ้าเราไปโลภไปเอากําไรมากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจนแต้มไวเท่านั้นลูกค้ายิ่งหายไวเท่านั้นย็นขายผลไม้เนาๆเนี่ยเอากำไรมากๆไลมากๆแบบผลไม้ดีๆ บผลไมา้เกล็ดตามขายอย่างเกล็ดสูงเนี่ยทีย่สุดไม่รอดหรอกครับเป็นเรื่องความอยเหงี้ยตัวเพราะฉะนั้นไอ้เคล็ดลักทางทางธรรมะเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าคือตรงนี้บางทีเราต้องวางใจในลักษณะไม่เอาทําให้เป็นอื่นให้เป็นของคนอื่นนะยกให้เขาเสียหรือตัดใจเนี่ยเออว่าเออถ้าเป็นของใครถ้ามันไม่ใช่ของเราก็ให้คนอื่นกลายเป็นว่าไอ้ที่เราคิดอย่างนี้คือวิธีที่จะเอาให้เป็นของเราวิธีเอาเอามาเป็นของเรา ให้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราให้เต็มที่นี่เป็นก็เรียกว่าเอาอนัตตามาเป็นประโยชน์เดี๋ยวจะไม่มาเป็นประโยชน์แกอาตายแกทํามาเป็นประโยชน์แล้วน้อยสุดน้อยไม่ยืนเงินแต่ว่ายัางไงถ้าเรามองเห็นเป็นเรื่องในใ่ของเราแล้วเนี่ยก็ทําให้เป็นได้อย่างใจได้มากขึ้นคนเข้าถึงความในอนัตตาทะลุเท่าไหร่อย่างคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอุปสรรคในชีวิตมีน้อยจริงไหมจสิข้อขัดใจมีน้อย ข้อขัดข้องในชีวิตก็มีน้อยด้วยตรงนี้นะ่ะสําคัญเราเราควรจะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วเราก็คิดว่าถึงวันนี้เดี๋ยวนี้เราพอจะเข้าใจถิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้นพอตรงกวนแล้วเราไปยังเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาต่อไปเนี่ยเราจะอยู่เหนือหรือคุมเหตุปัจจัยได้มากขึ้นคุมหมายถึงว่าวางจุดของเหตุปัใจจัยให้เป็นประโยชน์ต่อเราหรือต่อใคมากขึ้น จึงมาว่าต่อว่าไอ้ของข้างนอกที่มันเป็นอันที่เราว่าเป็นกรรมฐินของเราแล้วทําให้เราเราลืมคิดตรงนี้เนี่ยนะเราก็คิดแบบคนลืมตัวนะลืมตัวคือลืมบุญกุลกับเหตุบัจจัยคิดว่ามันของเราแบบคนลืมตัวเราคิดถึงคนลืมตัวอย่างเจ้านายบริหารอย่างลืมตัวนะฮะก็ไม่ให้ความสำคัญคนค้าขายอย่างลืมตัวก็ลืมความสาคัญ ข, ของลูป ก, กายนะ ของใครตาใครที่เกี่ยวข้องด้วยนี่คือคนหรือตัวเราเนี่ยมักลืมตัวเราเนี่ใจขณะที่ผมผู้ผมนึกออกไปนอกห้องนะแต่พูดแทนคนนอกห้องโดยคนในห้องก็แล้วกันเราลืมตัวเหมือนคนอากตัอยูลืมให้ความสำคัญลืมเห็นความสาคัญของสิ่งเหล่านี้ทั้งในทางบวกเราก็ลืม จริงไม่จริงอย่างคนทําอะไรก็ทำเร็จเสร็จเนี่ยมันมีไอ้กรรมปัจจัยมีอะไรอะไรอุนอุนอยู่นะปุยสุก็นึกว่ตัวเองทํายังไงก็ได้ก็ไม่เป็นไรเลยเออนี่ผมเห็นไอเ้เขาโฆษณาทางทีวีไอ้โลโกาศาสตร์เขาว่าไม่ได้อา่านเรื่องเืองฟื้นพี่ฉบับหนึ่งนะมันก็เลยชวนทะเลาะเข้าไปทั้งบริษัทใครโผล่เข้าไปก็เหมือนกับมีผู้จัดการใหญ่เป็นหมาบ้าอยู่ทัว <c oughs> <c oughs> ที่ยวกัดหมดเลยทั้งบริษัทเลยอ่ะ เออนี่ทีนี้ถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยในทางลบ เ, เราก็ไม่ลืมในแง่ที่รับผิดชอบว่าเราไม่เราวางังเราไม่สร้างเราไม่ดูดูเหตุปัจจั ย, เ ห, จจยเหมือนเราเลี้ยงลูกไม่ดีแต่ที่เราจะไปด่าลูกก็ยังว่าอย่างงี้เราก็มันก็เออนี่เราทําเหตุทําปัจจัยแกเขาไม่ดีอะไรอ่งี้นะไอชีวิตเราเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยตามดีเราก็ได้ได้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและเกิดการยอมรับทำใจเป็นเรื่องต้นก่อนอันนี้ก็จะทําให้เรา มีภาวะพร้อมที่จะสร้างเหตุปัจจัยแก้เหตุปัจจัยเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้โดยง่ายเนี่ยครับประโยชน์ของอนัตตาที่วาววาเนี่ยมันดีอย่างตรงนี้อ่นะถ้าอัตตาเข้ามาบทที่มันจะบังสิ่งเหล่านี้นหมดเลยยิ่งแรงยิ่งบังที่เราใช้เป็นจำนวนพวกนั้นว่าอัตตาแรงแล้วจะบอดสิ่งเหล่านี้นอย่างยิ่งมันอาจจะบอดต่างๆกันนะฮะถ้าคนไหนก็ไม่บอดในตรงไหนเช่นเขารู้ถึงกลไกเหตุปัจจัยในทางบริหารเขาก็ไม่บอดตรงนั้น แต่เขอาจจะมาบอดทางด้านอื่นเขีนบอดในทางครอบครัวบอดในทางอื่นๆที่แต่ละคนมันมีมุมมืดมุมสว่างต่างกันก็เลยตกลงว่าของของเราที่ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยเอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราที่จะทีนิ้วให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่ทีนิ้วได้บอสมควรและเผลอนึกว่ามันเป็นของเราโดยแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นเพราะเรามองไม่เห็นเหตุปัจจัยเมื่อไอเหตุปัจจัยมัน เกิดการตีจากทําให้อสิ่งที่มันเป็นของเรามันเปลี่ยนกัสภาพไปจากความเข้าใจเดี๋ยวเราทนไม่ได้เราทนไม่ได้แล้วก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าฝืนฝืนกระแสะเหตุปัจจัยเมื่อฝืนกระแสะเหตุปัจจัยมันก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดก็เรียกว่าขัดคอขัดขวางอะไรอะไรไปหมดเลยไม่ว่ากับตัวเองหรือคนข้างเคียงก็ตามอาทีนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งตรัสเนี่ยอัตตานีย เป็นการให้กรรมาฐานโดยพูดถึงตัวเรานี่แหละโดยมองอย่างเป็นของนี่ตัวเราเนี่ยมันก็มีฐานหน้เป็นของสองเจ้าของจริงนะ ห, หนึกออกไ้มว่าสองเจ้าของคือยังไงคนอื่นก็เป็นของสองเจ้าของคือของของกูกับของมึงอ่าพูดละให้เรียนเรียนตำนวนพระไปแต่ละของกูกของมึง ตัวกูของกูไอของกูก็มีมันก็ไม่ใช่ของกูแต่ของกูของมึงและของบางอย่างนะบางทีโดยสิทธิทางกฎหมายทางเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นของเราเนี่ยเต็มเหตุเต็มปัจจัยมากกว่าแต่ในแง่ของความรู้สึกเนี่ยกลับเป็นของคนอื่นมากกว่านะมีไหมไอบางอย่างนี่ยแหมมันน่าเกลียดน่าชังมาก โดยสิทธิโดยอวิบากเนี่ยมันเป็นของอีกคนหนึงแต่อีกคนหนึ่งมันอยากจะเอาอ่ะนะมันก็ไปแย่งจริงเอาทําอะไรต่อะไรเอาอย่างคนไปขโมยของคนอื่นเนี่ยขโมยไปแล้วเป็นของมันเลยโกงไปแล้วเป็นของมันเนี่ยอย่างนี้ก็มันเป็นลักษณะของอกิเลสนั้นล่วงเลยเหตุปัจจัยจัดมากก็ไปเที่ยวโกงเที่ยวตู่เที่ยวคิดกับของที่โดยกรรมสิทธิ์ของเหตุปัจจัยควรจะเป็นของคนอื่น ไอ้เป็นนี่เป็นเราพูดสมมตินั่นน่ะยิ่งไปเป็นเทวดายิ่งไปเป็นกรมเนี่ยยิ่งยิ่งมากกว่านี้ถ้ายิ่งลงต่ําเท่าไหร่นะไอ้ความเป็นกรรมสิทธิ์นี่ยิ่งน้อยมากอย่างเช่นไปเป็นตระเดชานที่ยกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนะเราลงนึกดูอะเราไปซื้อที่แปลงหนึ่งงูเหลือมก็อยูบ่บางแปลงนะงูเห่าก็อยู่หนูก็มีโอ้โหไม่รู้กี่ล้านชีวิตนะแต่พอมนุษย์เข้าไปเนี่เกลี้ยงเลย มันเอาไว้ไม่อยู่ก็แปลว่าความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าแล้วอาจจะมีคนด้วยกันที่สมบูรณ์กว่าเรา<ม>ก็อาจจะได้เหตุได้ปัจจัยมากกว่าเราก็ได้นะ้ำก็ไม่แน่ถ้าเรายังไม่เจอคู่แข่งนั้นเราก็ยังพอจะชี้นิ้วได้ต่อไปก็พอต่อไปต่อมาคนอื่นเข้ามาหีืก็ชี้นิ้วชี้เราด้วยสิไม่ใช่ชี้เฉพาะไอ้ของของเรานะแต่เหตุปจัจจัยก็แรงกว่า ที่นี้พูดถึงาไอ้ตัวเราเนี่ยเรามินึกตัวเรามือนก็อย่างเป็นของเราเนี่ยเราคิดว่าตัวเราตัวของเราเมื่อคิดในภาคว่าตัวของเราเป็นของเราของเราอะไรเงี้ยเราก็คิดของเราอย่างนี้มันปนกับไอ้ความเป็นตัวเราอยู่ในตัวนะแต่ตอนนี้พูดตัวตัวของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพราะตัวเราไม่ได้เกิดจากไอ้ความคิดอันนี้เป็นไปตามความคิดอันนี้อย่าง เอกเทศอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นไปตามอย่างไรท่านจะดแสดงเห้ไปใจจต่ออันนี้อันหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยอันนี้เป็นการปฏิเสธอัตตาข้างนอกเช่นว่าเ อ, อของพรามณ์นี่ยเขาบอกว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้ากขาบอกตัวเราไม่ใช่ของเราแท้ทํานองสอนกันว่าข้าวที่เราจะกินไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะเราเป็นเพียงว่าได้รับโปรดปรานได้รับเมตตากรุณา ให้ข้าวมากินเวลาจะกินทีก็ขอบคุณอัตราใหญ่ที่ให้ข้าเรากินถึงเราจะเสียเดือนละห้าร้อยข้าวเจ้าของข้าไม่ยอมเสียเลยก็ต้องยกความดีให้กับเทพเจ้าของบนอะไรเงี้นะฮะอะไรอีกหลายหลายอย่างเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ของตัวเหมือนระบบการปกครองแบบสมบูรณ์ายาติพิราศ ทุกอย่างที่ได้เนี่ยพระเจ้าแั่นดินเป็นผู้ให้พระเจ้าแผนดินไม่ให้นั้นไม่ใช่เป็นความผิดของพระเจ้าแั่นดินแต่เป็นความเพียงแต่ไม่ได้ทำความดีในส่วนนั้นจุดนั้นแก่ตนเท่านั้นเองอทีนี้ไอ้ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ใช่ของพระเจ้าเทวดาที่จะมามีสิทธิ์ในระบบอวตารเนีย่ยอธิบายอย่างปราโม่ยมสูนทางอย่างรุนแรงกับสิ่งเหล่านี้นะและคนอื่น ที่เป็นสามีภรรยาที่ว่าเป็นคนเดียวกันเป็นกรรมสิทธิ์ในอย่างไรอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ร้อยเปร็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะไอเหตุปัจจัยเนี่ยมันเยอะแยะแหะแต่ไอความคิดว่าของเรานะ่ะเราคิดเราเองไอ้ตัวความคิดนี้ท่านลองนึกดยดีนะว่าความยึดถือนี่หรือมันเป็นตัวมันเป็นตั ว, ตวทําให้เราได้หน้าตาอย่างนี้ลูปร่งอย่างนี้ความคิดยึดถือนี่หรือเห็นแก่ตัวหรือที่ทําให้เราได้คู่ครองดีอย่างนี้ ความคิดยึดถื อ, อยังไม่สมผลนี่หรือสมผลที่จะได้นี่หรือทำให้เราได้ตำแหน่งอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้นะมันเป็นตัวเราเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไอ้ตัวนี้เนะ่ะแต่เนื่องจากว่าไอ้เราเนี่ยเรามีไอ้ฐานรับของเหตุปัจจัยเช่นกุศมวนี้บากแรงมากความคิดแม้ชั่วช่วมันก็ยังมีผลทำลายได้น้อย แต่ว่ามันทำลายกัดก่อนไปทีละหน่อยจริงไหมอย่างสมมติว่ามีครับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยรักชอบก็รบนับถือกันแล้วเราก็มีไอ้ความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวไม่ดีคิดจะหักหลังเพื่อนทีละหน่อยทีละหน่อยทีล ะ, ยทละหน่อยนี่น่ะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีทีละหน่อยพเพื่อนก็ยังพอทนได้เพราเห็นแก่อะไรหลายๆอย่างที่มันเรื่องเหตุปัจจัยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งหรือถ้าไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันเกินกําลังเหตุปัจจัยเนี่ย ทุกอย่างไม่เป็นอย่างเดิมแล้วถูกไม่ถูกเพราะนั้นสามีก็ต้องแยกจากกันลูกก็ต้องแยกกันคือก็เหมือนไม่จะลูกไม่จะเต้าอะไรกันอย่างนี้โอ้พูดไปพูดมาแล้วก็รู้สึกโทจะพูดมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเห็นก็เขียนจดหมายมาเตือนเราพูดเจ้าเลยตรัสอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อทรงตรัสในทางชี้แจงอย่างนี้แล้วเพื่อ ให้เห็นจริงนะอย่างเราพูดเนี้ยเราก็พอเห็นจริงตามสมควรก็เดิมเล็กน้อยและทําอย่างไรถึงจะปฏิบัติเพื่อการเห็นจริงนั้นถ้าคนสังเกตคนเอาแค่เราเรียนรู้แล้วสังเกตชีวิตมันก็ได้เยอะแล้วนะโอ้มันเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยจริงนะทั้งคนเสียหายทั้งคนได้มาทั้งตัวเราทั้งคนอื่นเนี้ยเห็นเลยถ้าเราเราไม่ทิ้งการเรียนเนี้ยต้องเรียนแล้วต้องเอาไปดูสังคมรอบตัวดูตัวเองแบบต่อเนื่อง จนกระทั่งกลายเป็นปกติดูแล้วก้อนดูอะไรมันเห็นเป็นนามะหมดจะทราบซึงเห็นชัดเจนแล้วก็เกิดการปล่อยวางได้อย่างดีแต่ว่าถ้าคนปฏิบัติเห็นไอ้ตรงนี้นะถ้าในขั้นฟังนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติคนที่ปฏิบัติเห็นแล้วก็มาได้ความรู้สึกอันนี้เลื่อนชั้นขึ้นไปได้สํานักอันนี้เลื่อนชั้นขึ้นไปการปฏิบัติทําขั้นสูงกว่าก็เป็นไปได้ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแบบงูกินหางกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใหญ่ว่าไม่ใช่ของใครเพราะใครคนอื่นก็เป็นอย่างเรานี่แหละเขาก็ไม่มีอัตตาเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างเราเป็นแต่เพียงว่าเราก็มีกิเลสแล้วก็ไปยึดเขาไปบงการเขาไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้เขาแ เ, เพราะว่าเหตุปัจจัยมันเข้าไปสัมพันธ์กันในมุมนี้และตรงนี้ผมแถมนิดหนึ่งอะ เป็เรื่องสําคัญเหมนกันเป็นแง่มุมบาลังธรรมะว่าบางทีไอ้เนื้อของความเป็นของโดยกระแสะของความําบันต่างเหตุทางปัจจัยมันไปทางหนึ่งแต่ว่าไอ้การยึดตันหาที่เข้าไปยึดยึดเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าผิดยกตัวอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใครได้ไปฟังธรรมะอยู่ก็ท่านบวชอยู่ก็ท่านท่านบวชให้ก็เป็นการได้กันใช้สํานวนสมรสนี่ยได้กันแบบ อำนาจบุญบารมีรูปหนึ่งรูปนั้นฟังออกไฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยกิเลสถ้าไปยึดว่านี่อาจารย์เราอย่างนี้ก็เป็นกิเลสที่ยึดยังอยู่ในในความที่น่าจะยึดของของความเป็นเหตุเป็นแจ้งแต่มีบางคนเนี่ยไปยึดอย่างคู่ปรอ ง, ค, ค, รองคู่ครองแล้วคู่ปรองแบบตุบดตดวยดิยดไม่ไม่ใช่แบบธรรมดาเช่นพระ วักกะลิอ้านี่แม้นี่ต้องขอสมาราโทษดนี่จำเป็นตล า, านแล้วนี่พูดถึงตอนนั้นแล้วพูดในกระใจเหตุผลทับเรพูดไปพูดมาเนี่ยเอ๊ะทำไมไอ้ตอนพูดตอนนั้นก็ปกติดีนี่นะ <c oughs> พอมาถึงข้ามบอสอเนี่ย <c oughs> สะบัดสะบิ่งกลายเป็นตุดไปแต่แรก <c oughs> นี่ก็เหตุปัจจัยมันตามตันนะ <c oughs> ก็ไม่ไม่ได้มีเจตนาลงเกินอย่างนั้น นี่เลยขอโทษให้บุกท่านเป็นพยานแทนผมด้วยที่จะกลายเป็นพระโสด ย, ยาบะหลายทีหลายคนก็ได้ยินนะน ะ, อะไอลักษณะอย่างนี้นะมันมีเกินเ้าเรียกว่าเกินเพราะฉะนั้นหลักธรรมะอันหนึ่งเนี่ยท่านถึงสอนให้ควบคุมไอความยึดธรรมดาบุตรชนเนี่ยให้อยู่ในความสมเหตุสมผลให้อยู่ในความสมเหตุสมผล คือแม้จะยึดในเรื่องคู่ครองก็ต้องอยู่ในความสมเหตุสมผลถ้าเป็นกรณีหึงจัดเลยนี่ยสมเหตุสมผลไหมยึดเกินสมเหตุสมผลหรือเรื่อยึดแล้วไปทําอะไรประหลาดประหลาดเป็นข่าวขาวนังสือพิ้วเยอะแยะ ก, ก็ค่อนข้างจะเกินสมเหตุสมผลแล้วก็กรณียึดอื่นๆเหมือนกันที่มันมีลักษณะที่มันอยู่ในสายแต่มันเกินเหตุเกินผลแล้วยึดแบบนอกสายอย่างนี้ แั้นบางคนในท่านต้องมองเอออันนี้เขาเราสัมพันธ์กันในในมุมนี้ในแง่เหตุปัจจัยอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เรกาก็เจริญความรู้สึกในด้านนั้นไปอย่าให้ไอากิเลสมันออกพาวไว้นอกลู่น อ, อกทางมูดว่าผมเกิดมาพูดธรรมะตามมาฟังในผมเกิดนึกในใจว่าแหมนี่ถ้าผมไปทําเป็นทำอาชีพเป็นในหน้าหาประกันท่าจะดีนะ แล้วก็มองท่านเป็นลูกค้าประกันหมหมดเนี่ยตระเวนตระบลไหมทําไปทำมาหนีหมดพอเจอหน้าที่เอ็หันหลังหนีอีกเหมือนกันกลัวจะไปหาประกันอย่างนี้เรียกว่าผิดประเภทน ะ, ะอะไรอะไรเนี่ยก็จะมีตลาดอย่างก่าผมใช้คำว่าตลาดไม่ว่าอะไรนะถ้าสมมุติว่าผมจะทำประกันที่มี่พูดนี่ไม่ได้ทำแล้วนะไม่ได้มาพูดม <c oughs> ูพื้นฐานอะไรหรอก ผมก็ต้องไปตามตลาดไประบบตลาดนะผมก็ต้องไปอย่างผมรมนะู้ว่ามันจต้องมีระบบตลาดซึ่งไม่ไม่ใช่อย่างนี้ไอ้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนสอนธรรมะเนี่ยไปทําอาชีพประกันขึ้นในที่ธรรมะซึ่งเป็นเรื่องเสียหายผมได้เตือนไปอย่างนี้แล้วก็เขาก็บอกเขาจะทําประกันเพื่อเอาเงินไปตั้งมูลนิธิอ่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปเอาเข้อจริงมาได้น่าอย่างนั้นหรอ มันกลายพอมาอ้างเหตุผลไปตั้งแล้วนี้คือก็เสียหายแกตัวเขาจริงๆนะเนี่ยเตือนไ ว, ว้แล้วจะมาโทษไอแลไอลอะไรยังไงทีนี้เราดูถึงเหตุปัจจัยลึกเขึ้นไปนิดสูตรนี้จะเกี่ยวพันไปถึงสูตรหลังๆอีกหลายสูตรนะผมอธิบายไม่จบก็เหมือนจบแล้วก็จบได้เลนกันคือพระพุทธเจ้ากําลังจะชี้ให้เห็นเหตุปัจจัยว่าพึงเห็นเนี่ยคำว่าพึงเห็นว่าคือพึงเข้าใจว่า ตรงนี้นะจริงๆแล้วควรจะเอาคำหลังมาแปลเรียงว่าข้างหน้านะแต่มีตามภาษาในพระดยุิดกจะบอกแปลเรียงว้ก็ก็ให้นึกความหมายเอาว่ากรรมเก่านี้นะพึงเห็นว่าคืเพึงเห็นว่าไอ้กรรมเก่านี้อันปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นที่ตั้งของเวทนาตรงนี้พระภูมียาภาค ได้ทรงตรัสว่ากายของเราเนี่ยเกิดจากเกิดจากปัจจัยถามว่าปัจจัยอะไรปัใจจัยอะเยอะแต่ทรงแสดงปัจจัยสําคัญบางสูตรก็แสดงหลายปัจจัยบางสูตรก็แสดงบางปัจจัยบางสูตรแสดงปัจจัยเดียวที่เป็นตัวทําให้กายคือรูปเวทนาตัญญาตัณา์วิญญาณหรือนามรูปของเราพูดถึงเฉพาะตัวนามรูปทึ้งเป็นอารมณ์วิปัสนานเนี่ยในสูตรนี้ไม่พูดไปถึงของข้างนอก ไอ้ของข่า ก, ก็มีเหตุปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกระ nam รูปนี้นะะแต่วิปัสนาเนี่ยพูดเข้ามาข้างในเป็นสําคัญอย่างอื่นก็ปรบปลายเกี่ยวกันมาอย่างไรนั่นก็พอพูดได้แต่ว่าไม่ใช่หลักใหญ่กรรมเป็นเหตุเป็นปจัจจัยแต่จริงๆว่าอปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจความตั้งใจนี่ก็เป็นบทขยายกรรมคำว่ากรรม นี่เพิ่งเห็นว่าอันปัจจัยปรุงแต่งเอหมายก็ว่าร่างกายเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยกรรมถูกปรุงแต่งด้วยกรรมกรรมปรุงแต่งกายกรรมเป็นวิบากกายขอโทษนะกายเป็นเป็นวิบากเป็นผลของกรรมพูดลงวงกันไปกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยการที่กรรมเข้าไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กายเป็นเหตุของกายเนี่ยชื่อว่าปรุงแต่งกาย คือภาษาธรรมะเนี่ยเอเวลาเราพูดทั้งโลกบอกเหตุผลเหตุทําให้เกิดผลนะแต่ว่าธรรมะเนี่ยเขาพูดเพื่อสลายอนัตตาเขาจะใช้คําว่าผลอันใดหนึ่งไม่ใช่อัตตาเพราะเกิดจากเหตุและการที่เหตุไปทําให้เกิดเนี่ยเป็นความเป็นเหตุนี่คือความปรุงแต่งพาใส่คาว่าปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยมันหมายถึงสภาพเหมือนมันชั่วคราวมายาชาบช่วยนั่นนอง น, นั้นนะ่ะจึงเรียกว่าปรุงแต่ง เมือเราแต่งตัวเมือเราแต่งอะไรอะไรเนี่ยเรียกว่าปรุงแต่งของแต่งขึ้นของปรุงแต่งขึ้นแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าขนมของขาวของหวานด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคําว่าเกิดขึ้นในความตั้งใจอ่ะตรงนี้ท่านหมายถึงตัวที่เป็นประธานของกรรมเนี่ยคือเจตนาที่เราตั้งใจในอารมณ์ใดในเรื่องอะไรก็ทําให้เกิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาเกิดกรรมบท ออกไปเป็นอเนกมากมายหลายประการตรงนี้เราจะไม่พูดขยายรายละเอียดออกไปเป็นระบบให้มันใหญ่โตจนจบได้ลำบากนะพูดแล้วก็ให้นึกถึงในส่วนที่เราเรียนไปจากที่อื่นว่ามันขยายออกไปเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วคาว่าเป็นที่ตั้งของเวทนาอันนี้นะฮะหมายเราว่ากรรมทำให้เกิดกายกายเป็นที่ชุมของเวทนาเป็นปฏิจจะที่ทรงขมวด ในช่วงตอนสําคัญคือถ้าหากว่ากระจายออกมาเป็นอย่างปฏิจจาว่าสลายอจนาเป็นเหตุให้เกิดภาษาภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะตรงนี้นะท่านขมวดตั้งแต่พัสสะเข้าไว้ในอยตนาจะเกิอยู่ในกายสังขารคือกรรมอวิทยาเป็นเหตุหให้เกิดสังขารด้านพูดเอาเฉพาะสังการกรรมเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือพวกวิ บ, บากวิญญาณอะไรที่อยู่ในกายนี่นะ วิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะเป็นที่เกิดรัตสาท่านพูดเอาตรงนี้ในคำว่ากายตํานั้นอยู่ตรงที่ ส, สังขารและเมื่อมีร่างกายแล้วเวทนามันอยู่ในนี้ความรู้สึกสุทุกข์อยู่ในนี้ความที่เรารู้สึกว่ากายเราหน่ายินดีหรือน่ายินร้ายในกายในจังหวะนั้นจังหวะนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้ อาพิชาโทรมนัดเวลาเกิดเกิดตรงนี้เกิดที่กายเป็นสำคัญแล้วมันจะไปนเนื่องกับอารมณ์อะไรต่างกเป็นตัวประสงค์เข้ามานั้นน่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็นี่แหละครับว่าเวทนาของเราเนี่ยมันทําให้เกิดตัณหาที่จะว่าต่อไปยงในสู่อื่นๆเนี่ยนะก็เป็นจุญจงทั้งหมดตรงนี้เราก็คงจะขยายความให้ออกไปวิทาดานตอนนี้คงไม่เหมาะนะครับเป็นเดียวยันสร้างหลักใหญ่ไว้จึงได้ทรง เริ่มเข้าหาการขยายรายละเอียดในเชิงเหตุปัจจัยพิสดารเบื้องต้นก็ทรงแสดงว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยอธิบายไปหาข้างบนก็คือเมื่อกรำมมีกายมีกายมีเวทนามีอธิบายลงไปหาข้างล่างเมื่อวิชามีสังขารมีสังขารมีกิญญาณมีเป็นคำว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ย แล้วแต่ว่าจะเป็นบทสร้อยของบทอธิบายพิสดารส่วนสังเขปหรือส่วนพิสดารอย่างไรเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับและเมื่อกำดับ ก, กายก็ดับนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินมาแล้วสองสาครั้งในสูตรก่อนๆจากนั้นจึงทรงแสดงรายละเอียดต่อไปเลยว่าสังขารวิชยาเปน็นใจจึงเกิดสังขารนี่เข้าสู่ปฏิจจ์และทุกทั้งมวลจึงเกิด เพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ทั้งมวลเนี่ยถ้าอธิบายเข้าไปหากายก็คือกายนั่นแหละกายเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์นารูปเป็นก้อนทุกข์และในการดับมาแสดงอย่างปฏิจจสมุปบาทก็ดับอวิชชาสำรอกโดยไม่เหลือเป็นต้นมาก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วเพรนะปฏิจจาก็ไม่พูดขยายความอีกวันนี้เราได้สูตรเดียวค่าวหน้า จะมีสูตรคกล้ๆกันเนี่ยติดต่อกันหลายสูตรเลยบางทีจะพูดรวมไปได้วยกันได้มีข้อแตกต่างในโวหารทางเทศนาในวิธีการขมวดประเด็นกันอยู่บ้างก็จะอธิบายเฉพาะส่วนต่างส่วนนั้นในตอนท้ายรายการมีเรื่องที่จะเรียนให้ทราบสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ ท่านทั้งหลายคงจำได้นะครับว่าเราได้รวบรวมเงินที่นี่ด้วยความจงรักภักดีร่วมเป็นพระราชกุศลกับประบาทสมนเดชพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองเสด็จราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเษษทางสำนักพระราชาวังได้ตอบมาแต่ตอนนั้นเราฝากฝา ก, ฝากทุน วิเชียนวอลาปีชาคนในร่้วในวังที่ออกนอกวังเป็นบางวันไปไปตุนตาถวายเนี่ยนะก็ทางลงก็ได้ออกทสำนักพระราชวังได้ออกเจดหมายมาอย่างนี้นะคะจะขออ่านให้ฟังสำนักพระราชวางังโวนจิรดาแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเรื่องตอบ ร, รับ เงินทุนกล้าวถวายแล้วก็เรียนมาในชื่อผมนะฮะก็เข้าใจว่าผู้ส่งคองยาบอกชื่อผมไปสิ่งที่ส่งมาด้วยใบเสร็จรับเงินเลขที่ศูนย์ศูนย์เก้าหกก็คงไม่เป็นอันตรายนะผู้ตัวเลขตอนนี้ตามที่ท่านและคณะขอพระราชทานทุนกล้าวถวายเงินจำนวนสามหมื่นบาทสา0หมืนบาททวน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพ ร, ระราชกุศลตามพระราชกยาศัยเนื่องในโโวโรกาสจะลองสี่ลาสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามความประสงค์ของท่านและชนะเรียบร้อยแล้วดังใบเสร็จรับเงิน เลขที่ดังกล่าวที่แนบมาจึงเรียนมาเพื่อทราบลงชื่อนายนารงฤทธิ์สนิทวงศ์นอยเดียรรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการพระราชวังแล้วก็มีใบเสร็จรับเงินมาใบาเสร็จนั้นได้ลงว่าได้ รับเงินทุนกล้าโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธศญาศัยจากคณะผู้ศึกษาพระวิธรรมจำนวนสามหมื่นบาทวงเล็บสามหมื่นบาททวนลงชื่อและดำเนินการตามพระราชประสงค์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงชื่อเลขาธิการพระราชาวังมีไลเซนต์นำสกุลโรัชโทัจนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามีอยู่สองแก้วแก้วขวันแก้วแก้ววันนะ ก็เป็นอันเรียบร้อยท่านก็ดีใจได้ได้ทำบุญกับบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งนะในประวัติศาสตร์โลกแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเราก็คงจะได้เยื่อใหญ่ที่จะได้ไปพึ่งพระบรมโพธิสมหาบานของท่านในพบหน้ า, า, นาอาจารย์นาสืบต่อไปก็ บุญอันใดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นของพวกเราทั้งหมดทุกๆคนเลยครับ